ผมไม ok ่เอาออ่เอบ่บาไม่บาเียมาไแล้วนี่เปิดด้ลูกาดำ้าแนออนเก็บโตด้เเก็บโต๊ดอะไรยลูกาไม่ได้าง่ย้โว้ยไปงานไปับไปไปไปได้ลูกนีลูกน๋อยไสัไปเดี๋ยวมือตลายอยู่ด้วนี่พร้อมไสั จากลาเต็นตัวที่กูจะกลว อ, ไอยไห้เหียไปไม่แปลกูไม่เอากูไม่มากูอยากโูดอีกไหมไปไอต้ตงแก๊สเ yes, yes, ดือแย่สรเอดแก๊มาต้องระังเลี้ยวซ้ายเลี้ยว้าวานักซายเลย เตือแนแข่งแขงเตือแนแขงตัดเตือแนแขงตัดโอ้เแข่งตัดเตือัดนี่ r ือไปนี่คืนนคืออคือเแขงโอ้ยเ t าเถอะเตื n นมางมึงก็มาไอ้เช้านชาวช่อ ง, งนะเงตกใจนะแล้วก็มาดีจรดจากตเแ มึงก็าทีโอยอใส่ก่อนนี่ะ oh. oh. oh. oh. ีอ่อหารการกินนี่มาจากใต้ทั้งหมดเลยนี่เครอแกงสูตรจาใต้หมดเลยเมี่ยมมดแดงยำไข่มดแดงนตันนาาสูกปยลนอสูตรมาหมดโปรยละก้นเชงรานตอนนี้ออแกอันน <c oughs> ี้สีาายสามสิบเจ็ดบร้เอาไปเลย ไปออกก้าอุไปนนะนนะไปโอนาโอนาข้าพักสั่งข้าศยสั่งข้าศยกตาย ลุงวัดีครับวันดีครับโอ้กินสิ่งช้างเลยนี่ดินเขาันบุกออกลุงลุกขับรถไเหรอไม่แดกอะไรใช่ป่ะไม่แดกอะไรมาที่อะไรน้ำซุ่ไปมอะไรข้ามหมดแล้วลุงเลี้ยนดิหน่อยน้ำสุ่นไปมึงจะมาแดกครังต้มไม่ได้เหียทำไมไปทำไมมงพันเฮียอตัน ไอ้พวกรัญญาอนมึงรู้ยังแดกน้ำต้มแดดน้ำต้มเนี่ยนะส่วนมนี้เนีพวกบัญญาออที่มาแจกนะพวกนี้ไอ้สัสตันี้ผมไปปักใสยนี่แหละมันมันสอนอะไรนี้กูบอกพวกนี้่อมฮเฮ้เป็นคนสอนตู้ไม่ไอชอนมึงิเองกูบอกพวงนี้ไ่ยอมมาไอ้ปังกูได้สัพวกที่แดกน้ำต้มเนี่ยนะกูบอกตรงนี้คือพวกง้อมึงง้อมึงง้อมึงง้อมึงมึงสอนผู มาไปซื้อใบไม้โง่เปล่ามึงไม่งูอ็ไหมอ็งบมันพูดอ่ะมึงช่วยพูดอ่ะแล้วกูบอกว่าอย่าออมาถ้าพอไม่แบบเอ็งบอกว่ามึงเป็นคนที่สอนพูคูไม่ได้สอนมันสอดไอ้ใครเองแต่ว่ามันแก่แล้วมนคนแก่มันแก่มันไม่รู้เรื่องอ๋ออะไน่มาใคกันที่ไนไอ้ไพมานี่ให้คนนี้แหละสอนพูแต่ก็้มใเองมึงก็ตามโอ้มาจะอะไนใบอันสองตัวาเหรอวีกหลายไม่นี่ะเมียอลบ ไปยี่ไปพ อ, อ, อมาไล้วไปเแล้วดต่วแตดุสมีไอ้สัตว์ไอเสือรูสิตสัว์ูบอกแว่าไอเฮียนี่มางต้องโดนอ้นาโอ้โหไม่ได้แล้ปแนต่แกแตกดุสหนแสมีไอ้สัตว์อะไรแตกแตกมื่อตีหรอะ กูแจ้งเนี่ยเพราะว่าอากขไม่เเดี๋ยวแบงามึก็ตกไมไหมตกตมอะไรก็เห็นมึงิตัวพหดแต่หูคว้งหมดอะเงี้ดิว่ดินพีกคว้าพีกตัวหันใหตัดยอมไม่รู้หาแามาเงอะเงาะฟัวงแดงใส่อะไเงี้ยท้จี้แจกอากบอมาจูแจ๊กว่าไปแ้จะควแงนู้ายดูเยนะยดูไ้หนมเ็กดีไปแลนะ แด้วยมาแน่แม่จ่ายเงินด้วยเงี้ยเอามึงทั้นั้นพอจ่ยเงินเลยเฮียแซวไม่ได้ไ่ตอบละเป็นพี่อะไรโอ้ยยัตัตกแ้งวายหยุดเลยนาอย่นี้เอาหมดหนึ่งตัวแล้วก็แม่งมตกมาเมาหนีได้แบบปล่อย มึงเงี้ยไหมไม่ต่อเยมึงอยู่กันกันมีมองไม่สัดมึงแบบเนี้ยฟูลกี้มากบบคมแนมาท่แบบความแผกอย่างมีความแหลมาไิดมูกมึง่เบิร์ดให้มาทำร้านคูอเลยไมอขันด้านเลยมึงอยู่ด้วยกันทุกวานในสั์อีกแล้วโอ้เดี๋ยวดแล้วมึงอยู่ด้วยกันทุกวันแล้วมึงไปสั่งมันให้มาร้านฟูเป็นยี่อะไรเรเสร้เาไอเสียมาบา ว่าไอ้ไท่มาด้วยพวบกี่คั้งกี่วันร้านยูอย่ามายุ่งนั่นแน่อ